ตัวเองนั่งอยู่นี่ไอความที่มันไม่มีห่วงไม่มีกังวลอะจะแผ่เมตตาเนี่ยสามารถแผ่ไปได้ตลอดโลกแผ่ได้ใจจดนิ่งนิ่งนึกแผ่เมตตาสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เออมันอยู่เย็นเป็นสุขไปเถอะทำได้มีความปรารถนาดีกับคนทั้งโลกทำได้สติมันดีแล้วล้วก็แต่คนทั่วไปไม่อย่างนั้นหรอกจะแผ่เมตตาทิ้งแม แผกทิศนี้ทิศนี้ไม่ไปหรอกไอหมอนั่นมันอยู่ชังที่หน้ามันอชังที่หน้าไม่เอาไอแผลทิศนี้เออไปสิงคโปร์ไปอามาเลเซียไปอินโดนีเซียพอแผ่ได้แผกทิศนี้นี่อไอ Nam, เวียดนามเขมรอยู่นี่ไม่แผ่หรอกสติมันไม่มันมันไม่บริบูรณ์จริงๆเพราะฉะนั้น ความคิดความอ่านไอ้จิตใจเนี่ยมันแคบมันขยายไม่ออกแต่ใครพอฝึกพอมีสติดีไอ้สิ่งเหล่านี้จะไม่มาข้องใจเลยอำนาจใจมีนขยายไปได้เต็มที่ขยายไปถึงไหนขยายไปจนกระทั่งจดพระนิพพานนั่นแหละได้พวกเราเนี่ยหลับตาลืมตานึกพระนิพพานไม่ออกเพราะว่าสติยังดีไม่พอถ้าคนที่มันสติดีพอเนี่ยนะ ใจมันขยายไปได้ได้ถึงที่สุดขยายไปจะให้ละเอียดยังไงก็ละเอียดได้ละเอียดจนกระทั่งว่าเออจดกับเทวดาคุยกับเทวดาไปได้จะคุยกับพรหมอรูปปรพรหมคุยได้แม้ที่สุดจะให้จดพระนิพพานซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายอยู่โดยพระธรรมกายไปได้เหมือนกันแต่คนทั่วไปขยายไม่ออกใจมันคับแคบทำไมมันแคบสติมันไม่ไม่ดีเลยถูกกดถูกบีบถูกทับเข้ามา แล้วมันก็เลยเครียดกันอยู่ตลอดเวลาอันที่สทํทำให้ประโยชน์ของสตินะอันที่สี่ทำให้พินะพจารณาสืบค้นด้วยปัญญาดำเนินไปได้ชัดเจนเต็มที่จึงเป็นการเสริมสร้างปัญญาให้บริบูรณ์พูดง่ายๆเมื่อสติดีแล้วเนี่ยปัญญาเนี่ยมันจะดีตามเพราะว่ามันจะสอดมันจะแทรกมันจะแท้ ไปถึงต้นต่อของเหตุออของผลทั้งหลายแหลได้แล้วอันที่หําทำให้พฤติกรรมทุกอย่างทั้งทางกายวาจาใจเนี่ยมันบริสุทธิ์ขึ้นอิสระขึ้นมันบริสุทธิ์ขึ้นเป็นอิสระขึ้นโดยปริยายเลยการกความคิดคำพูดการกระทาต่างๆเนะี่ย มันจะเกิดความบริสุทธิ์ผุดผ่องขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเพราะว่าสติมันดนีนี่เป็นประโยชน์ของสติทีนี้พระพุทธเจ้าก็บอกต่อไปว่าที่เรียกว่าไม่ประความไม่ประมาทเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วแล้วในตัวของคนที่ไม่ประมาทเนี่ยจะต้องมีคุณธรรมที่ประกอบไปพร้อมๆกันไม่ใช่อันใดอันหนึ่งนะคนที่ไม่ประมาทเนี่ย ในตัวของเขาเนี่ยทุกอิทธยาบทเนี่ยมันจะต้องมีคุณธรรมห้าประการต่อไปเนี่ยมันมันประคับประคองใจอยู่ตลอดเวลานลยคอยดูซิว่าไอ้คุณธรรม5ประการที่มันประคองใจอยู่เนี่ยมันมีอยู่ในตัวเราบ้างไหมถ้ามันมีมีครบไหมถ้าไม่ครบมันขาดอะไรหรือมันครบน่ยแต่ว่ามันเป็นช่วงๆหรือวมันเป็นทั้งวัน เราจะได้รู้ตัวเสียทีว่าเราประมาทหรือไม่ประมาทหรือถ้าประมาทประมาทกันขนาดไหนแน่หัวข้อที่หก็องประกอบของของความไม่ประมาทอันที่หนึ่งคือมีสติระลึกถึงการละเว้นทุจริตทั้งสามมีสติระลึกถึงการละเว้นทุจริตทั้งสาม คือกายทุจริตวาอวจีทุจริตแล้วก็มโนโทุจริตอยู่เนืองๆมิได้ขาดพูดง่ายๆเออพอจะทําอะไรปับ๊บจะทําอะไรขึ้นมาฮมึอันนี้อย่าทําเลยมันไม่ดีแล้วเนี้ยข่าเขารังแกเขาไม่ดีอย่าทําเลยพอจะพูดอืมอย่าพูดเลยกระเทือนใจกันเปล่ า, าพอจะคิดแหมไอเรื่องนี้คิดไปก็ คิดไปก็หมองใจเปล่าๆในไอ้เรื่องนี้ไหนๆมันแล้วก็แล้วไปอย่าไปฟื้นฝอยหาแต่เข็ดมันเลยไม่เอา <นะ S 1> คิดล้านคิดผานคิดอิจฉาเขาคิดทําไมกันจริงอยู่หรอกเราก็อยากได้ดีแต่อีตอนนี้ยังฝีมือมันยังดีสู้เขาไม่ได้เขาดีกว่าเราก็ดีใจเขาไปด้วยเธอจะเป็นอิจฉาตาร้อนเขาเลยจะคิดจะพูดจะทําก็มีสติระลึกอยู่ว่ามันจะ ต้องเว้นไอการทุจริตท่านะอันที่สองคุณธรรมอันที่สองนะมีสติระลึกถึงการกุศลสุจริตทั้งสามเนื่องเนืองมิได้ขาดพูดพง่ายๆก็มีกายสุจริตวจีสุจริตมนโนสุจริตคิดพูดทําอะไรก็เออไอนี่ก็ดีแล้วนี่ไอโน่นก็ดีแล้วนี่ มีไอดียิ่งๆกว่านี้เราก็จะเอาอีกพอทำอะไรล้วก็จะคิดจะพูดจะทำอะไรขึ้นมาเราก็เสียไหมเนี่ยมันเสียศีลไหเนี่ยมันเสียศีลไหเนี่ยมันถูกต้องไหมเนี่ยศีลก็ไม่เสียแล้วมันถูกต้องด้วยแม้ผู้รู้แม้บัณฑิตนะพระพุทธเจ้าพสันเสริญเนี่ยเออันทำเถอะแต่บางคนมันไม่งั้นมันจะเห็นแก่ได้บางก็ทำไป ไม่เลือกหน้าอินหน้าพรมจะได้ถ้าลูกเดียวหรือพอโกรธขึ้นมาใครยะมาขวางหน้าเลยเฮ่อพอจะจับเชื่อจะให้หมดมันก็ไม่ไหวอย่างนั้นขาดสติสล้อันที่สมนะคุณธรรมของคนที่ไม่ประมาทอันที่สามคือมีสติระลึกถึงกองทุกในอบายในอบายภูมิอยู่มิได้ขาดมีสติระลึกถึงความทุก ในอบายภูมิอยู่มิได้ขาดหมายความว่าอย่างไงคือนอกจากว่าเออทำอะไรแล้วเอ๊ะมันจะเสียศีลนะเนี่ยคนอื่นเดือดร้อนนยเนี่ยเออแล้วมันถูกธรรมะหรือเปล่าเนี่ยคือเออพระพุทธเจ้าจะสัรเสริมการกระทำเขาเราอย่างเงี้เยเขายังเตือนตัวอยู่เรื่อยๆนะว่านี่ไออบายภูมิคือ น, นรกก็ดี เปรตก็ดีอสุรกายก็ดีสัตว์ดิบสานก็ดีไอ้อบายภูมิเหล่านี้เนี่ยใครพลาดไม่ได้นะพลาดแนละ้วตกไปอยู่ง่ายๆใชเป็นคนก็ตกนรกได้เป็นคนพลาดเข้าไปเป็นเปรตได้เป็นคนพลาดเข้าไปเป็นอสุรกายได้เป็นคนพลาดได้เป็นหมูหมากาไก่ได้ชีวิตนี่ไม่แน่นะเรายังทําความดีไม่ถึงพร้อมต้องระวังไปทําความดีอื่นให้เยอะ เพรในเมื่อก่อนนี้ไอ้ความไม่ดีเราก็ทําำม้เยอะเมื่อกันหนาะเมื่อเด็กมันไม่รู้อะเรายังทําความดีไม่เท่าไหร่เลยเดี๋ยวมันไม่ไม่คุ้มกันที่จะตกนรกซะก่อนมีความกลัวอบายภูมิอยู่ตลอดเวลาเลยจะทําอะไรไม่เอามันมันเสี่ยงนรกไปไมเอาแบงกงินนี้แต่กู้นี่เอาไปกู้เข้ามาสักหน่อยท่านมาลงทุนเงินนี้ทําให้ดังเลยคิดอีกทีฮ ถ้าทำได้ยังสมความปรารถนามันดังมันก็ดีหรอกแต่ว่าถ้ามันจับพลัดจับผูไปนี่เกิดขาดทุนขึ้นมานี่เอาเธอถ้าถ้ามันเป็นทุนของเราเองมันขาดทุนแล้วก็แล้วไปหาเอาใหม่แต่กู้เข้ามามันขาดทุนมานี่เออรสชาตินี้ใช้เขาไม่หมดเราเป็นหนี้เขาทั้งชาตินี่พบต่อไปนี่ดอกเบีย้ยมันพบต้นข้ามพบไปอีกนะ ก็ไม่เอาอ่ะไม่เอาเอาพอไปได้ไปได้ก็แล้วกันถึงมันไม่ดังก็อย่ายให้มันดับซะเลยเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะใครที่คิดจะกู้นี่ยืมสินเข้ามาลงทุนล ง, ล, งลงร้อนอะไรน่ะอย่าไปทําเลยเอาเอาว่าที่มีอยู่ของตัวแล้วก็เตะทํำกันไปแก้ไขทํำกันไปไม่งั้นตายพร้อมกันนี่นี่ไม่คุ้มไม่เข้าท่าไม่เข้าทาง เอาตายไปแล้วแบกหนี้ไปชาติหน้ามาใช้เขาต่อเป็นหนี้เขาเป็นคีย์ค่าเขาชาติละชาติละสตังค์ให้เขาใช้ไปเถอะไม่คุ้มไม่คุ้มเลยเป็นคีย์ค่าเขาใช้ชาติละสตังค์หรือไม่คุ้มเป็นหนี้บาทใช้สักร้อยชาติอุ้ยไม่เอาแล้วเดี๋ยวนี้เป็นหนี้บาทมันยอมเป็ น, นมาหลายแล้วเป็นกันเป็น ล, ล้านเถอะ เป็นชี้ฆ่าจนกรทั่งกระดูกเป็นฟอสซินแล้วก็ยังไม่หมดเลยไม่เอาหลอกอันที่ห้ามีสติระลึกถึงกองทุกข์อันเกิดจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายพูดง่ายๆคํานึงถึงความความแก่ความเจ็บความตายความเกิดของเราอยู่ตลอดเวลาว่าเอออายุมาขนาดนี้แล้วประมาทไม่ได้แล้วนะ เป็นเด็กก็นี่เราก็สิบอายุสิบขวบสิบสองขวบแล้วต้องรีบเรียนแล้วชักช้าอยู่ไม่เอา้าเอาพอสิบสี่สิบห้าแล้วรีบรี บ, รบเรียนเข้าเราจะเป็นผู้ใหญ่แล้วจบแล้วจะได้มาช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานทำการตั้งหลักตั้งฐานประมาทไม่ได้มุดิสโก้อยู่ไม่ได้อืเอา้าตอนนี้ก็สามสิบปีแล้ว เอ๊ยังตั้งฐานะไม่ได้เลยชักช้าอยู่ไม่ได้แล้วพอตั้งหลักตั้งฐานได้เรียบร้อยแล้วเออนี่ก็สามสิบผ้ามาจะสี่สิบอยู่แล้วมาค่อนคนแล้วบุญทานยังไม่ได้ทำสักเท่าไรเลยอย่างนั้นเลยบวชทักภาษาก่อนแล้วเรื่องอื่นค่อยคิดอเป็นผู้หญิงก็อย่างนั้นเลยแรงนี้ถือศีลแปดบวชเปนแม่ชีสัก เจ็ดวันสิบวันก่อนเออเอาก็ว่ากันไปหรือเอา้าเรามันเป็นแม่บ้านยิ่ไปถือศีลแปดที่ไหนก็ไม่ได้แล้วบ้านยุง่งเอางี้ก็แล้วกันทุกวันโกนทุกวันพระถือศีลแปดมันไปทุกคืนก็สวดมนต์ก่อนนอนนั่งสมาธิไปเอออย่างงี้มันถึงจะสมก็เป็นผู้ใหญ่หรือเอา้าตอนนี้สี่สิบห้าห้าสิบเข้ามาแล้วเออ ลูกก็มีแล้วไอหลานก็มันจะตามมานี่จะต้องทำตัวให้เป็นปูชนียบุคคลศึกษาธรรมะให้เยอะๆมีธรรมะเยอะๆจะได้ป้อนลูกป้อนหลานได้ธรรมะไปป้อนข้าวป้อนน้ำลูกหลานมพอแล้วันนี้ป้อนธรรมะเถอะมันจะได้เป็นคนดีต่อไปข้างหน้าเออถ้าคิดอย่างนี้ก็เป็นพอพอจะเป็นปูชนียบุคคลได้ไอบางคนอย่างนั้น ไหนไหนแก็สี่สิบห้าห้าสิบมาค่อนคนแล้วจะตายวานตายพรุ่งไม่รู้ที่สนุกถ้าให้มันเต็มที่เทอะว่า <c oughs> ตายไปยังได้ไปคุยกับยมพบาลได้ว่าไปโน่นไอ้พวกนี้ไม่ได้ไปคุยกับยมพบาลแล้วยมพบาลจับแหก อ, อกแทบตายมก็เป็นอย่างนั้นไปคนไม่เหมือนกันบางคนอายุมากแล้วพอรู้สึกตัวว่าอายุมากแล้วเข้าวัด บางคนถ้าไหนๆแก่แล้วเขียวมันจะให้หนุกเลยกลับมาเป็นเด็กอีกคนหนึ่งใช้ไม่ได้มันมีพระพุทธเจ้าเคยเล่าให้ฟังในอดีตมีกษัตริย์อยู่องค์หนึ่งพอขึ้นปกครองประเทศก็เรียกลูกชายมาเลยเรียกลูกชายคนโตลูกเอ้ยเขามาเชิญให้พ่อเป็นกษัตริย์ต่อตอนนี้ไปงานมันคงจะยุ่งมาก เจ้าจะทําอะไรก็ทํำแต่ว่าพ่อจะมอบงานให้ยางนึงงานอันนั้นก็ไม่หนักหนาหรอกแต่ว่าต้องสังเกตให้ดีนะงานอะไรล่ะให้คอยจ้องดูทีว่าผมงอกเส้นแรกเกิดขึ้นเมื่อไรแล้วให้บอกด้วยนี่งานอย่างหนักเลยให้ลูกลูกยิ้มเลยอ๋องานแค่นี้หมู พ่อก็ปกครองบ้านปกครองเมืองไปปกครองไปปกครองไปอยู่มาวันหนึ่งไอ้ลูกชายมาสกิดเสด็จพ่อผมหงอกขึ้นมาเส้นหนึ่งแล้วเพุงเส้นเดียวนะได้ยินน้าซี่ตั้งกายต้มเลยใจหายว่าเออความชรามาถึงแล้วสั่งลูกชายเลยไปไปตีกลองกลางเมืองน่ะ ไปตีกรองภัยรีพินาดกรองกลางเมืองประชุมประชาชนประชาชนได้ยินเสียงเขาตีกรองนึกว่าข้าศึกยกทัพมาล้อมเมืองซะแล้วอุ้มลูกจูงหลานก็มาร้องเราเบงเซงแซ่มาเชียมาประชุมกันพอประชวประชาชนมาพร้อมกับประศัตรก็ขึ้นบนหอกลองเลยประกาศเลยประชาชนที่รักทั้งหลาย ม่ใช่ที่นี่กองประชาการคณะปฏิวัตินะไม่ใช่ประชาชนที่รักทั้งหลายเ อ, อข้าพเจ้าได้ทํางานเพื่อประชาชนมาตลอดชีวิตล้วบัดนี้ความเสื่อมได้มาปรากฏแก่ข้าพเจ้าแล้วคือผมหงอกเส้นแรกได้เกิดขึ้นแล้วความชราได้มาเยือนแล้วพยามัจจุราชใกล้เข้ามาแล้ว เพราะฉะนั้นต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าว่าจะต้องทําความดีเพื่อตนเองบ้างแล้วเพราะฉะนั้นขอลาออกจากราชบัลลังก์จะเลือกใครมาปกครองแทนกระเชิญฉันไปแหละแล้วก็ออกบวชไปแล้วพระองค์ก็บอกกษัตริย์พระองค์นั้นนไม่ใช่ใครคือตัวของเราเองในอดีตชาติเมื่อสมัยยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ นี่พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างนี้ทีนี้ย้อนมาถึงพวกเรามั่งอย่าว่าจะหัวงอกเส้นหนึ่งเลยเส้นแรกงอกซะเต็มหัวอย่าหัง่เงเรื่องออกบวชอย่าเงคิดพอรู้สึกว่าผมงอกปับ๊บอย่ายอมผมย่ออะไรดีไปนอนแทนจะนึกถึงความแก่เปล่า หายยายอมผมพอยอมไอ้ไอ้ไอบางอย่างยอมแล้วมันมันหายขาวจริงแล้วแดงทั้งหัวเลยทีนี้แทนที่จะได้คิดว่าเออความแก่มันหนักข้อเปล่าด่าบริษทัทผลยายอมผมเข้าไปอีกนี่นี่บาปสองต่อบาปสองต่อบาปไม่รู้เออบาปขาดสติลืมความชรารวมทั้งบาปเผลอสติไปด่าเขานะ่ะสองต่อ และไอายาไอไอาาอคายามายอมผมเนี่ยเอาไปทําบุญทําทานที่ยังเข้าท่ากว่าแต่อีกสามต่อเนี่ยขาดไปนั่นเสียงเงินเปล่าสามต่อนี่เป็นอย่างนี้โบราณไม่ใช่อย่างนั้นคนํานึงถึงความความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็เนื่องจากยังไม่หมดกิเลสเพราะฉะนั้นมันต้องกลับมาเกิดอีกว่าเราจะต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักจบจากสิ้นไม่เอาแล้ว พอความแก่ก็ดีความความความเจ็บความตายก็ดีพอมาปรากฏขึ้นรีบออกบวชแล้วรีบทําความดีตัวตั้งเลยเมื่อก่อนนี้เออเมื่อผมยังไม่งอกเอะนั่งสมาธิวันสนะิบห้านาทียีนะ่สิบนาทีก็รู้สึกก็พอแหละเอจตอนนี้ผมงอกขึ้นมาเส้นแล้วช้าไม่ได้แล้วอย่างน้อยวนันละชั่วโมงสองชั่วโมงหม่ยั้นเราแก่ตายเปล่าเลยชาตินี้ไม่ได้ความเลยนี่ คนไม่ประมาทเขาจะมีคุณธรรมเตือนใจตัวเองอย่างนี้อันที่หมีสติระลึกถึงกรรมฐานภาวนาพูดง่ายฝึกสมาธิไม่ขาดเลยมีสติระลึกถึงกรรมฐานภาวนาที่จะละราคะโทสะโมหะให้ขาดจากให้หมดจากสันดานมิได้ขาดนี่คือคุณธรรม ประจําใจเลยนึกอยู่เนืองของคนที่ไม่ประมาทเรามีพร้อมกันทั้ง5ประการไหมลองถามตัวเองดูซิมีสติระลึกถึงการเว้นทุจริตไหมมีสติระลึกถึงการบําเพ็ญสุจริตไหมมีสติระลึกถึงกองทุกข์ในอบายภูมิอยู่เรื่อยๆไหมนึกถึงนรกอยู่เรื่อยหรือเปล่า นึกถึงข้ออันที่สีมีสติระลึกถึงความเกิดแก่เจ็บตาที่เราต้องเวียนว่ายใจเกิดอยู่นี่หรือเปล่าและอันที่ห้ามีสติระลึกถึงกรรมฐานคือการทําสมาธิภาวนาเจริญวิปัสสนาอยู่เสมอหรือเปล่าถ้าขาดอันใดอันหนึ่งแสดงว่าเรายังคนเป็นคนประมาทอยู่เรายังเป็นคนประมาทอยู่ถึงแม้ว่าทําอยู่แล้วครบทั้งห้าอย่างนะแต่ว่า มันยังไม่ค่อยจริงจังมันก็ยังประมาทอยู่ดีถ้าจริงจริงจังจังเอองั้นใช้ได้เมือเอ่อสองอาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วนี่มีธุระขึ้นไปที่เชียงใหม่ก็ไปเจอเพื่อน เ, ออเพื่อนนักเรียนรุ่นเดียวกันเป็นชาวกาญจนบุรีด้วยกัน ตอนมาเรียนหนังสือก็มาเรียนที่มหาวิยศศาทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยกันแล้วก็ตอนนี้ขึ้นไปเชียงใหม่ไปเจอเขาไปเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่ว่าสูบซีดไปก็ถามเอ๊ะเป็นอะไรเนี่ยก็บอกว่าเล่าไปก็น้ําตาหยดไปบอกว่าหมอตรวจแล้วพบว่า เ, ออเป็นมะเร็ง ที่สวงอกไปตัดอกมาข้างหนึ่งแล้วแล้วมันก็ลามไปอีกข้างหนึ่งขณะนี้กำลังลามไปตามต่อมน้ำเหลืองต่างๆทั่วตัวถ้าตามกำหนดก็บอกอีสี5ห้าเดือนตายแล้วเล่าไปก็น้ำตาหยดเพาะเพะไปก็เลยเอสอนให้เขาทำสมาธิก็ความที่ มันมันอะไรล่ะมันตรึกอยู่แต่ความตายติดต่อกันมาเป็นปีพอสอนให้ทำสมาธิเออปรากฏไอ้เจ้านี่ทำได้ง่ายง่ายเพราะว่ามันนึกอยู่ตลอดเวลามาในระยะปีงที่ผ่านมาเราตายแน่เราตายแน่เราตายแน่าาแนาาแนบอกมันมีความรู้สึกอย่างนี้ตลอดมาแล้วก็ไอ้นั่นอนะบอกว่าเมื่อปีที่แล้วนี่ ว่าภาว า, วาจนทั้งมีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์กว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้เพราะว่าห่วงลูกมากลูกสาวเพิ่งได้สี่ขวบห่วงมากแต่ว่าพอพอมาถึงจุดนี้เข้าเนี่ยในระยะสองสาเดือนนี้เองก็มีความรู้สึกว่าถึงจะห่วงเขาให้แทบตายยังไงเราก็ตายแน่แล้วก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้ก็เลย หันหน้าเข้าหาห้องพระสวดมนต์เป็นประจำประจำเพราะฉะนั้นพอบอกให้ทำสมาธิปุ๊บเออทำได้เร็วฮะช่วยใช้เวลาไม่กี่นาทีสว่างโพรงข้างในเพราะว่าได้เจริญมรณานุสติมาพอสมควรแต่ว่าสำหรับพวกเรานะอย่าให้สเตทนี้มาถึงเร็วนักนะรีบเอาละความตายยังไม่ได้มาจ่อคอก็รีบบำเพ็ญมรณานุสติซะตั้งแต่ตอนนี้ ถ้ามันมาเข้าจริงๆจะได้ไม่ต้องหวาดถวากันแล้วเขาก็มาพูดคำหนึ่งบอกว่าเราไม่เข้าใจเลยว่าทำไมท่านมาถึงอัตมาทำไมท่านเนี่ยหันหน้าเข้าสู่ศาสนาตั้งเป็นสิบสิบปีมาแล้วเพราะเขาเองเนี่ยที่หันหน้ามาเข้าศสาสนาก็เพราะว่า มันรู้ตัวว่ายัางไงก็ตายแน่ๆบอกไม่เข้าใจเลยว่าเออทำไมเนี่ยอตมาเนี่ยจึงหันหน้าเข้าม า, าศาสนามาตั้งเป็นสิบสิบปีบอกเขาก็เลยบอกเขาว่าเออก็เหมือนกันแหละความที่ไม่รู้ว่าคนทั้งโลกเนี่ยเขาไม่ค่อยได้คำนึงถึงความตายกันแต่อตมาเนี่ยตั้งแต่เล็กมาแล้วตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยม ไม่รู้เป็นยังไงพออยู่คนเดียวเงียบๆล้วมันมักจะคิดเลยแหละเอ๊ถ้าคุณพ่อเราตายคุณแม่เราตายนี่เราจะอยู่ยังไงพอโตขึ้นมาอีกหน่อยเอ๊แล้วถ้าเราตายอีกตอนนี้เนี่ยออมันจะไปไหนเอ๊ถ้าเราเวลาเราตายเนี่ยมันจะเป็นมันจะเจ็บปวดมันจะทรมานยังไงก็ไม่รู้นี่ อาจารย์เนี่ยมันคํานึงถึงความตายอยู่เรื่อยๆแล้วก็นึกว่าคนอื่นนะเขาคงจะคํานึงเหมือนอย่ากับอัตมาก็กมันรู้เอาเมื่อตอนบวชนะอาไม่เห็นมีใครเขาคิดกันเลยบางคนหัวงอขาวโพล่งเขายังไม่คิดเลยอืมคือเมื่อก่อนนี้เนี่ยนึกว่ามันเป็นธรรมชาติของคนว่ะพอมีอายุสักยี่สิบกว่าสามสิบแล้วก็คงจะคิดถึงความตายเรื่อยๆเล่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนเนี่ย ก่อนนึกว่ามันเป็นธรรมดาว่าคนทั้งหลายเขาจะต้องคิดเปล่าเลยมีหน้าล่ะเราทึงได้มาบวชเร็วอยากจะบวชเร็วๆหมั่นคิดเถอะแล้วได้บวชนะหมั่นคิดจาทั้งหญิงทั้งชายมาอยู่ในการวัดเรากว้างนี่คือองค์ธรรมห้าประการที่จะต้องมีตรึกอยู่ในใจแล้วเราจะกลายเป็นผู้ไม่ประมาท ก, กันที่นี้ ถึงหัวข้อที่เจ็สิ่งที่ไม่ควรประมาทนะสิ่งที่ไม่ควรประมาทอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตประจำวันคือหนึ่งไม่ประมาทในเวลาหนึ่งไม่ประมาทในเวลาพระพุทธเจ้าบอกว่าไอการที่วันหนึ่งผ่านไปผ่านไปเนี่ย มันเหมือนอย่างเราเก้าวเข้าสู่หลุมฝังศพไปทุกทุกทุกก้าวทุกก้าววันหนเหมือนก้าเข้าไปก้าววันเหมือนก้าเข้าไปก้าวจนทั่งพระองค์จัดตรัสเป็นพุทธภาษิตว่าคนที่ไม่ประมาทคือคนที่มันคานึงว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เรากําลังทําอะไรอยู่เนี่ยให้มันเตือนตัวอย่างเนี้ยแล้วก็มันจะทําให้เราเนี่ยไม่ประมาท ไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงไปล่วงไปบางคนวันวันเอาแต่ขี้โม่วันวันเอาแต่ขี้คุยวันวันเปิดแต่หนังสือแฟชั่นเฮอวันวันหนึ่งซ้อมลำพัดไม่ต้องเอาอะไรกันอันที่หนึ่งไม่ประมาทในเวลาตรงต่อเวลาทํางานแข่งกับเวลาเพราะว่าเวลาน่ะมันมีน้อย แล้วก็ถ้าศูนย์ไปแล้วเรเรียกกลับไม่ได้เสียเงินเสียทองแล้วก็ยังเรียกกลับได้วันหลังหามาแทนได้แต่ว่าเสียเวลาแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปตามหาอีกแล้วนะอย่างที่ของฝรั่งเขาก็กดพูดเตือนกันเอาไว้เป็นสุภาษิตดีเหมือนกันที่ว่า time and tide wait for no man คือเวลาและวารีไม่มีจะคอยท่าใครหรอก อันที่สองไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในวัยคืออย่าคิดว่าตัวนี้ยังเด็กอยู่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็เด็กอยู่ตัวเป็นควายมันก็เด็กอยู่ปัดโถเด็กเด็กอะไรกันถ้าเอาอายุของเราตั้งแต่ชาติต้นๆมันรวมมันจะปั่นนี้ไม่รู้กี่กาบแล้วไม่ใช่เด็กหนะไม่ใช่เด็ก โน่นสิพวกลิงที่นั่นยังเด็กอยู่นั่นน่ะมันอายุเท่าไหร่น่ะยังเด็กอยู่ลิงมันยังไม่มันยังไม่อัดดาวน์หรอกยังไม่โตหรอกแต่นี่ได้เกิดมาเป็นคนแล้วแสดงว่าไม่ใช่เด็กแล้วโตแล้วคุณธรรมข้างในโตแล้วถ้าคุณธรรมข้างในมันยังอ่อนยังเด็กอยู่แล้วก็ไม่ได้เกิดเป็นคนเพราะเกิดเป็นคนแสดงว่าคุณธรรมภายในนี่ไม่น้อยไม่ใช่เด็กน ไม่ใช่เด็กบางคนบอกว่าเอ๊ท่านอายุยังเด็กอยู่เลยสมัยนนอาตมาเข้าวัดเมื่อเอข้าวัดอายุยิบเจ็ดยิบแปดยิบกานี่เข้าวัดแล้วพอสามสิบนี่บวชนะพอเขาเห็นอาตมาจะบวชเขาโอ้ท่านอายุเพิ่งสามสิบแล้วบวชแล้วเลยปะโทสามสิบมาใช้คาว่าเพิ่งสามสิบ มันไม่น้อยแล้วนะสามสิบแล้วเขาเห็นว่าเขาเองอ่ะอายุหกสิบเจ็ดสิบเขาคิดว่าเขาแก่กว่าอาตมาไม่แน่ถ้าเอาแต่ชาติต้นๆน่ะเอามาวัดอายุรวมกันทั้งหมดอาตมาอาจจะแก่เขาเป็นกลับก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่เด็กพวกเรานี่ไม่เด็กยิ่งเรียนรู้ตัวมาเข้าวัดนี่แสดงว่าคุณธรรมในตัวมันไม่น้อยไม่เด็กแล้วอย่าคิดว่าตัวยังเด็กไม่เด็ก รีบทำความควา ม, ความดีเข้าไปเถอะมาคิดอยู่อีพันนี้สิเจอพระพุทธเจ้ามาไม่รู้กี่ร้อยองค์แล้วยังเด็กยังเด็กหมดพระพุทธเจ้าเขา้านิพพานไปหมดฮอีกหน่อยองค์นี้เข้าไปแล้วยังมาตะโกนยังเป็นเด็กเป็นเด็กอยู่นั่นแหะใช้ไม่ได้รีบซะนะอันที่สามไม่ประมาทในความไม่มีโรคเฮ้เรายังแข็งแรงอยู่ยังยังอีกนาน ไม่แน่แล้วบางคนไม่เป็นอะไรเลยเห็นแข็งแข็งแรงแรงอยู่เป็นลมตายไปต่อหน้าตาตามีเหมือนกันโบราณท่านก็ว่านะนะแม้ถึงตายไม่วาชีวาว่าเพชฌฆาดเข็นข่าไม่อาสันแม้นถึงตายต้องวาชีวาวันแม่มีกายฆ่าฟันก็ตายเองไอโกไม่ว่าไม่ว่าอย่างนั้น่ะแม้ถึงตายไมวาชีวาวันไม่กินฟันทิ่มเหยื่อก็ก็ตาย อา้าวอันที่สี่ไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในชีวิตบางคนเนี่ยไอ้เมื่อกี้นะ่ะไม่ประมาทในความไม่มีโรคถ้าเรายังไม่มีโรคยังยังไม่เป็นไรหรอกเอาไว้อีกหน่อยแล้วค่อยทําบุญเอาไว้อีกหน่อยค่อยนั่งสมาธิอย่างเหมือนอโยมนาตามาคนหน้าอายุมาก็่าห้าสิบกว่าแล้วไปถือศินแปร์เถอะ น้าว่าจะทำงานชิ้นนั้นให้เสร็จก่อนแล้วค่อยถือพอแล้วมาไล่เสร็จแล้วคิดว่ากลางๆปีหน้าพอเสร็จที่ไหนได้อีสี่ห้าเดือนหน้าจ่อยมาอ้าวน้าเป็นอะไรล่ะน้ำตาหยอดพอพอน้าชาตินี้ถ้าจะถือสินแปดไม่ได้อย่างที่ที่ท่านเตือนซะแล้วทําไมมันเป็นเบาหวานถือสินแปดเขาเดี๋ยวน้ําตาลมันดรอ เร็วแล้วก็มันมันจะช็อกตายเพราะฉะนั้นชาตินี้น้าไม่มีสิทธิ์ถือศีลแปดแล้วร้องไห้ไปน้ำตายอดพอๆก็อีตอนดีๆบอกให้รีบถือทำสมาธนะิเอาไว้ปีกลางๆปีหนะ้าตายตายตา ย, ตายลูกเดียวเลยเพราะนั่งอยู่นี่ก็เหมือนกันเราไม่รู้นะว่าเรามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่มันซ่อนอยู่ข้างในนี่ก็ เมื่อวานนี้ก็มีเด็กของเราธรรมธายาธนี่เขายังไม่รู้ว่าจะได้บวชไหมก็อายุเพิ่งยี่สิบยิบเอ็ดเออไม่รู้อีท่าไหนก็เมื่อก่อนมันก็ไม่กำเริบอะไรเป็นฤๅษีดวงทวารก็นิดๆหน่อยๆพอมาถือศีลแปดเข้าเท่านั้นนะฤๅษีดวงทวารมันเกิดกำเริบขึ้นมาเลือดออกไม่หยุดออกกันมาเป็นชามๆอย่างนั้นนะอ๋อมันก็ไม่ไหว เพราะฉะนั้นไม่แน่นันเพิ่ง อ, อายุยี่สิบกว่านี่คุณอายุเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ยี่สิบสามไอ้เพื่อนรุ่นเดียวคุณมันตายไปแล้วมีมั้งไหม